จูเะปโนพระบรมศาสตาเยนนะเป็นพมจั์เบื้องต้นเท่านั้นนอกจากนั้นลงมาเป็นโลกีพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระแต่เราเอาอันอื่นไปผสมผสมเอาพระพุทธศาสนาลงมาชุกมวยกันกับาศาสตาอื่นในสเตทมันก็ว่าใหญ่เหมือนกันเกี่้วแท้ๆไปมาเทียบเป็นหิน หินศิลาประเดวมาเกิดแพร่งฟันแก้วมันกับโมเมนต์อะ่รพระพุทธศาสนาเป็นของประเสริฐลรากระเทิดพระพุทธศาสนามันไม่ผิดภาษาเรบุตรเทิดทูนพระพุทธศาสนามากนักเหตุนั้นปัญญาขององค์ท่านจึงเมย์มากจึงทรงเมย์มากขอโอกาสองค์พระบรมศาสนาเก้าเดินจยกงมกลับไปกลับมานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงตรีนกันไม่มีประมาณพระเจ้าค่ะเออ เธอเป็นคนมีปัญญามากเธอก็เห็นมากสิเพราะเป็นโลกุตระคุณไม่ใช่โลกีคุณถึงเป็นนามะคุณก็จริงนามังเปไปเชื่อแต่เป็นโลกุตระคุณไม่ใช่โลกีคุณใครจกล่าวตัวว่าคุณพระพุทธศาสนาเป็นโลกีคุณคนนั้นยังไม่แตกแานในอัตในธรรมเป็นโลกุตระคุณใครไปกล่าวตัวว่าคุณพระเนรพนเป็นโลกีคุณ คนนั้นก็ไม่แต่ฉันนานทาอีกดรร้วยนะโมพระโสดาบันนะโมพระสกทาคามีนะโมพระอนาคามีนะโมพระอรหันต์ใครเรียนนะโมจบก็นะพระอรหันต์เรียนนะโมจบนะโมแปลว่าน้อมน้อมพระอรหันต์น้อมน้อมจนไม่มาเกิดแก่แกบตายน้อมน้อมจนไม่มีรัลุโกรดหลงน้อมน้อมจนไม่มีกิเลสนะพระโสดาบันเรียนนะโม เป็นเอกเทศพ้นจากชิเลเป็นเอกเทศพระศาคาคารีก็พ้นชิเลเป็นเอกเทศแต่ไม่กลับคืนอีกพระทหัา์พ้นชิเลโดยสิ้นเชิงเรียนน้โมจบแล้วน้อมจนไม่มาเกิดแก่แก๊ปตายน้อมจนไม่ติดอยู่ในที่ใดทั้งที่ ท, ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทั้งสมมติไอมุดด้วยลูวก ม, มุดตามเป็น จ, จ, จริงของมุตดลูกสมมติตามเป็นจริงของสมมุติลูกพระเนปานตามเป็นจริงของพระเนปาน ลูกสังขารตามไปเก่งของสังขารแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองลูกอดีตตามไปเก่งของอดีตลูกอนาคตตามไปเก่งของอนาคตรูกปัจจุบันตามไปเก่งของปัจจุบันแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามพละหานทั้งหายเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของท่านจึงไม่มีนกบินในอากาศจะบินวันยังข้ามก็ไม่มีรอยฉันใดจิดท่านผู้พ้นไปแล้วก็อย่างนั้นเพราะไม่มีอุปท า, านเมื่อไม่มีอุปท า, านเนี่ยอวิชาตัญหา อะไรก็แตกก็เจิงไม่ต้องเรียงแบบไม่ต้องเรียงปฏิจจส ม, มุ ป, ปบาทก็ได้ส ม, มุ ป, ปบาทก็ได้เมื่อเห็นอันนี้จังทุกขังอนัจจาชัดก็ไม่สงสัยในโรกทั้งปวงวิชาตันหาอุปทานก็แตกก็เจิงนี่สำหรับผู้หวงังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติทำไมจึงหวงังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติเพราะปัญญาของเขาแก่กล้ามาแล้ว เขาไม่ติดอยู่ในวัตถุนิยมวัตถุนิยมใดๆก็ดีเกิดขึ้นจากดินน้ำไฟลมแตกขึ้นจากดินน้ำไฟลมแตกสลายลงไปก็ไปเป็นดิ น, นเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นไฟเป็ น, ป น, ปนลมก็มาฐานใดๆเป็นเมืองขึ้นของไตรลักหมดปทมชาตทุติยช า, า, า, า, าติทิติชาติจตุชาตหมดกําลังก็ถอนออกมาแม้นิโรธสมาบัตดหมดกําลังก็ถอนออกมาเหมือนกันนั่นคืออนิจจังอันละเอียด นั้นพระบรมศาตดาจึงไม่ติดอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นที่พระบรมเรสด็จชาตาิดาเข้าพปฐมฌานทุติยฌานและทุตยานไปตลอดถึงรูปฌปานและอรูปฌานและนิโรธสมาบัติเข้าทําไมเพื่อให้สมเกียรติของสมมาสพุทธเฉยๆดอกเช่นพระพาหิยะอย่างนี้ไปรบกวนให้พระองค์เทศ พ, พระองค์ก็ ทำสันติวิเทบอกว่าข้าพเจ้ากําลังเดินบินทบาติอยู่ไม่สมควรเนืเ อ, อบางทีพร ะ, ระบรมศาลาเ ส, าส้นลำปานขณะนี้เนื้อบางทีก็ผมก็เส้นขณะนี้เนอ้อไอติเชะพร ะ, ระบรมศาล า, ารู้จักแล้วแต่หาอุบายให้คนนั่นตอบเพื่อให้ข้าทุทธสุ่ฝังเข้าใจคัดเฉยๆไม่ใช่พร ะ, ระบรมศาล า, า, าไม่รู้จักขณะจิตคนนั้นรู้จักขณะดจิตแล้วเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเนื้อพร ะ, ระบรมศาสลาเป็นแต่สักวารูเป็นแต่สักวาเห็นพอแล้วครับ เพราะเขาแตกขาเนี่ยไปใสัมพิชชาเฉยแล้ ว, ลวเขาสามารถอธิบายความย่ออพิชชาได้ประเดนสักวารู้เป็นประเดสักวิ เ, นนกวเห็นก็คืออธิบายอนัตานั้นเองให้ฟังไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลเป็นแตสักวโรเห็นเขาอาวิชชาตันหาเขาไม่ได้เรียงแบบเลยแตกก็ะจึงนั่นไม่ได้เรียงแบบจนปถึงปฏิจจสมุปบาทหรอกอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามโูปดับอายตนะภาสาเวทนาตันหาอุปทานดับภพบธาตุชรามนะั้นแหะไม่ได้เรียงแบบ พระอวิชชาแตกกรเจงแล้วอันนั้นมันก็ดับไปนะที่นั่นเองไม่มีอันไในก่อนอันในหลังเปรียบเหมือนสู้ที่พันคอเราอยู่นี่ตัดปอกไหนขาดมันก็ไปเลยไม่ต้องเลี่ยงปอกมันนะถูกไหมมันก็พูดยากเพราะพว ก, พวกนี้เรียนสูงถูกไหมถ้าไม่ถูกก็คมเห็นให้ถูกใช่ไหมพวกนี้เรียนสูงน้าพูดตําๆมันก็ไม่ถึงใจพวกนี้ พวกนี้นักเรียนนักนักเรียนเอกงพวกนีนน้เรา ด, ดูดี <c oughs> ทำํำแท้ๆมีนิดดีไม่ต้องมีมากถ้าย่นลงมาเพีหนึ่งก็เป็นเอกเนิบาตคือใจอันเดียวถ้าไม่หลงใจก็ไม่หลงทำถ้าพลหลงใจตอนไหนก็หลงทำตอนนั้นถ้ายึดถือใจตอนไหนว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ยึดถือทำตอนนั้นว่าเป็นเราเป็นเขาสัตว์เป็นบุคคลธรรมชำสูง ศีลขัน้นสูงสมาธิขั้นสูงปัญญาขั้นสูงไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาจะอยู่คนละมุมโลกเมื่อจิตสูงสมาธิปัญญาก็าสูงไปในตัวเมื่อจิตต่าศีลสมาธิปัญญาก็าต่ำไปในตัวเมื่อจิต เป็นโลกีศีล ส, สมาธิก็เป็นโลกีเมื่อกี้เป็นโลกุตระศีลสมาธิก็เป็นโลกุตระโลกุตระก็มีสชั้นศีลสมาธิปัญญาพระโสดาบันศีลสมาธิปัญญาสัคขาคามีศีลสมาธิปัญญาพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาพระอรหันต์ก็กลมคืนกันศีลสมาธิพระปัจเจศีลสมาธิพระสมัยพระพุทธเจ้าจะเอามาเทื่อนกันไม่ถูกเพราะมียิ่งหย่อนกว่ากันมีปัญญาทรัพยยุทธ์ต่างกันนั้นจะเอามาตีสวยกันมันก็เป็นปราศยกตนเทียมท่าน บางท่านก็บอกว่าผู้รู่ผู้ลู่เนี่ยจะตีผู้ลู่เสมอกันไม่ได้พูเขาส ร, ราบันชกทาคามีอานาคามีอาหาันทพระเจ้าพระสมานทัพเตายิ่งกว่ากันเป็นลำดับจะมาตีเสมอกันไม่ได้นะดด น, น, นักพระพทพระสานอยายานจะมได้พกพระพุทธาทัพอตยาวิ่งกวกนเปลำดัาติันไ่ด้นัุทมานทัตาิว่ากนเปัมาสอ่้นกพพุทสานพวยวกเลำดัาติเสมอังได้หรือไม่ ขอตอบตามอัตโนมัติว่าท่านฤทลึกได้โดยปัญญาสามส่วนทีนี้ถ้าหากว่าท่านตอบว่าคำว่าชาติมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นผมไม่พอใจจะพิจารณาเลยถ้าท่านตอบอย่างนั้นจะว่าท่านตอบผิดหรือไม่ก็เรียกว่าท่านตอบถูกผมปฏิบัติสุขขยัตโกถ้าเราไปถามพวกสุกขขยัตตโกอ่ะ ท่านนับเม็ดหินเม็ดใจในท่อมาหาสมุทร ต, ตลอดถึงเม็ดฝนตลอดถึงเม็ดลมเม็ดแดดได้ไหมถ้าหากว่าพวกสุขวิปัสโกท่านตอบว่าผมนับได้เอกปฏเทวธาตุเอ ก, เ, อกเตโชธาตุเอกวายโยธาตุเอกอโาโพธาตุหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมถึงไหนที่แข็งผมก็นย่นลงมาเป็นธาตุดินซะ สิ่งไหนที่เป็นของเหลวผมก็ย่นลงมาเป็นธาตุน้าซะจะว่าผมนับไม่ได้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะผมนับเป็นสังฆโหสังฆสงฆะลงมาไม่ใช่อสังฆโหเราจะว่าท้านตอบผิดมันก็ไม่ถูกถ้าจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงอสงไขผู้นับก็เป็นผีบ้าเป็นกรรมการ ผ, ผู้เป็นกรรมการก็เป็นผีบ้ากี่วันมันยังจะจบนั่น ถาพระพุทธศาสนามีแต่ฝ่ายอัังกโโหไม่สงเคราะห์มันก็ถูกมีทั้งสงังโโหมีทั้งอสังกโโหไม่สงเคราะห์สงเคราะห์ก็มีไม่สงเคราะห์ก็มีแปดมืสอสีพระธรรมขันย่อนลงมาในไตรซิกขาในปัจจุบันเอกราเนบาสนะถ้าพูดเป็นหนึ่งลงมาใจถ้าพูดเป็นติกราเบาศก็พูดกายกับใจเถ้าพูดเป็นทุกรนเนบาศก็พูดกายกับใจถ้าพูดเป็นติกราเบาตก็กายวายกายใจถ้าพูดเป็นสี่ก็อริยสัตสี ถ้าพูดเป็นห้าก็ขันห้าถ้าพูดเป็นหกก็ตาหูจมูกริ้งกายใจถ้าพูดเป็นเจ็ดก็สัตตหะคือหมวดเจ็ดถ้าพูดเป็นแปดก็คืออัตฐกะคือหมวดแปดถ้าพูดเป็นเก้าก็นวากะคือหมวดเก้าถ้าพูดเป็นสิบก็ทัศกะคือหมวดสิบถ้าเป็นพูดเป็นสิบเอ็ก็เอกาทัศสิบเอ็ดถ้าพูดเป็นทิบสองก็ทวทัะกะสิบสองถ้าพูดเป็นทิบสาก็เตทัศทุดงสิบสามก็ย้นลงมาเป็นหนึ่งเหมือนกันนั่นนั่นนั่นนั่น ถ้าประทุกจะลงมาไอ้าทุกในะปัจจุบันใช่ไหมถ้าเห็นทุกในะปัจจุบันชัดแล้วทุกในอดีตอนาคตจะสงสัยทําไมถ้าอย่างนั้นก็เห็นตามสัญญาไม่เห็นในปัจจคขาสิทธิความกับลงออกเข้ามันก็สงสัยสิ่งไหนที่ที่มันรวมลงในปัจจนาแล้วมันไม่ขบคืนไม่ได้ขบคืนว่าโลกทั้งปวงสังขารทั้งปวงว่าจะเป็นของเที่ยงสักทีเลยนี่เรียกว่ามันรวมลงในปัจจนาปัญญา เหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงยืนยันว่าวิปัสสนาธุระไม่ใช่ไม่มใช่สมถะธุระไม่ใช่ศีลธุระไม่สมไม่ใช่สมาธิธุระเรียกว่าพิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระคือมีปัญญาเป็นหัวหน้าในธรรมทุกหมวดศีลสมาธิตอนไหนก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าทั้งนั้นเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่า ปัญญายะปริสุทธิ์ชติบุคคลจะบอริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาโลปัญญาโลกตมิปัโตรโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเท่านั้นจะขับความหลงให้แตกกระเจิงถ้าปัญญาเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้แตกกระเจิงเลยจงหนีไปซักมาไหนวะหนีไปในขณะนั่นเองเหตุผลไม่อยู่ห่างกันพ่อเก้าเหตุนั่งผลก็นั่ง เหตุ <àn> พูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็สมเคาะกันเข้าได้ส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุพืชกรรมเมื่อสร้างเหตุพืชกรรมแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุเมื่อปูกเข้าเจ้าแล้วผลไม่ต้องการให้เป็นเข้าเจ้ามันก็เป็น เมื่อเหตุโกรธแล้วผลไม่ต้องการลดของความโกรธมันก็โกรธเมื่อเหตุหลงแล้วผลไม่ต้องการความหลงมันก็หลงเมื่อเหตุโลภแล้วผลไม่ต้องการโลภมันก็ได้โลภนั่นนักนักนักเหตุฉะนั้นจึงว่ามรรคผลนี่ผ่านไม่ได้หนีไปไหนเลยนักก็คือผลผลก็คือผลของเหตุผลของมรรคผลของพืชผลของกรรมมีความหมายอันเดียวกันผลของเหตุผลของพืชผลของกรรม มีความหมายอันยาวค่ะถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศ า, ธาสนาเหมือนกันคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบกเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมจบกเกียณไปเป็นเว้นไว้แต่พระรหันต์ที่เป็นอนโหสิกรรมไปแล้วใครจะถือรัฐะใดๆก็ตามกรรมและผลของกรรมไม่ลําเอียงเขารับที่ใดๆ ท, ทั้งที่เหตุนั้นพระพุทธศ า, ธาสนาจึงยืนยันเอาผลของกรรมมาเป็นเหตุกรรมและผลของกรรม มาเป็นสารตัดสินแล้วไปมาเป็นสารแต่สวนมาเป็นสังขารนากรรมและผลของกรรมสังขารนาสัตว์ทั้งหลายอยู่ ไ, ม, ไม่มีกลงวันกลางคืนตกหลุมทานเพลิงก็ทานเพลิงก็สังขารนาเอาใช่ไหมเท <c oughs> เวน่นก็ผลของเว่นก็สังขารนาเอาใครจะเก่งตะเพียงไหนก็าตามย่อกต้องอยู่ใต้อานาจกรรมและผลของกรรมทั้งนั้นเว้นพระหรหัสดะอ่แตพวกเรา กรรมทางกุศลก็ยังไม่พอกรรมละายบาปก็ยังไม่พอสร้างกุศลก็ยังไม่พอทาต้นให้เหนือกรรมและผลของกรรมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเปรียบเหมือนบุคคลมีเงินตังเดียวสําคัญตัวเป็นพระรหันมันก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันะทีนี้มันก็เบือ่อมันก็มันมันก็นานแล้วเนี่ยเขาห้ามาให้พูดมากดูรู้นะเ <c oughs> พราะเป็นโลกเพราะเป็นโลกเมืใจ เอาล่ะนะสิ่งนี้นะแกงหมอยไงเว้ยนี่พระพุทธเจ้าพระนหยสอนน่ยผู้มีปัญญาจะเลือกกินเอาจะไปกินทั้งกลางมล้วกับแ ม, ม่แนวแล้วเว้ย ได้ยินว่ามหาเทเรอย่างนี้จิตไม่อยู่จิตก็โอนถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลยไม่ได้กักตุนไว้พอได้ยินว่ามหาเทเรอย่างนี้ก็โอนถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระญาสง์ทั้งหลายด้วยไม่ได้กักตุนไว้เหมือนพระกัจจายนะเขามาถึงท่านว่าเป็นชนะท่านก็ไม่ได้กักตนไว้ท่านบอกว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านพลิกจิตอย่างนั้นอันนี้ก็ฉันใดพลิกณาถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระญาสงทั้งหลายไม่ได้กักตุนไว พระมหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระสมัยสมพุทธเจ้าชั้นที่สองพระประเจดชั้นที่สามอรหันตาขีณาศพชั้นที่สี่พระอนาคามีชั้นที่ห้าพระสกทาคามีชั้นที่หกคือพระโสดาบันพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้แหละซึ่งมีอยู่ประจําโลกประจำธรรมทุกยุคทุกสมัยไม่ขาดเมื่อพวกเราทั้งหลายทํำถิดองค์ท่านด้วยอกายกับกรรมสามวก้กีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดี ขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้นัน้นหรือเหล่านี้ก็ดีจงทรงอโหทุกข์ให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกว่นไม่มีประมาณผลทุธาพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบาวาลพุทธศ า, ามสนาของพระพุทธมาพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่โดยทุกเมื่อเชิญในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาจะมาในที่นี้ก็ดีต่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกัน ด้วกา ย, ยากรรมสวิกีกรรมสีมโนกรรมสามมาแต่ในพบก่อ น, ก, อนก็ดีหรือจะปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีเพราะเราทั้งหลายต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อผลทุดท้ายพวกเราทั้งหลายจ้ระสุขแต่ความสุขความเจริญในบรวบรธรรพุทธศาสตร์นะของพระเจ้าพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งเกินไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณ น, นั่นเทินห่างทุมเหติฮิปเมฆความมีตะวังยัตจัปปังกตังกรรมังกุสเดนทะพิยติโสมังโลกังบุพเสีติปมุตโตจันติมา มาธนีริศะนิจังวุฒาปาัญญูจตารูธรรมาวัฒนติอายุวันนุสุ ข, ขังพระังมีปัญหาสอดเข้ามาว่าเราไปทําวัดทั่วทั้งไปโรกทาตมันไม่ผิดหรอกหรือตอบว่าไม่ผิดพระเราเคารบธรรมอันไม่มีเวรไม่ภัยพระพุทธเจ้าองค์ไหนบอกไม่ให้เคารบธรรมอันมีเวรไม่ภัยเคารบธรรมอันไม่มีเวรไม่ภัยพระพุทธเจ้าย่อมเคารพธรรมอันไม่มีเวรไม่ภัย เช่นขนายาติของท่านแย่งน้ำในแม่น้ำโลฮินีอย่างนี้ก็ดีเข้าใจแน่พี่น้องทางหลายแย่งน้ำเข้านากันเลือดกับน้ำอันไหนมีค่าถ้าหากว่าเลือดมีค่าพี่น้องทางหลายจะลบกันทำไมขอเราอย่าได้มีเริไม่ไพ่กับท่านผู้ใดเถิดพี่น้องทางหลาย กำลังจะลบกันอยู่เดี๋ยวนี้มีเวนีไัยขอเราอย่าทั้งหลายอย่ามีเวขอเราอย่าได้มีเวนีไพ่กับท่านผู้ใดเถิดพราะนั้นก็เลยทิ้งอาวุธแล้วก็มาบวดทางละห้าร้อยพราะบ ร, รมาศาสต า, าเคารพทำอันไม่มีเวนีไพ่เราไปธรรมวัดทั่วทั้งใจโลกทานมันไม่ผิดหรือไม่พิดเราเคารพทำเคารพทำอันไม่มีเวนพไพ่เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหา เหตุฉะนั้นจึงว่าสัพเพสัตาเมตตันจสะสภาวะกัเสมห์มานะทั่มภาวเยปริมาณังไม่มีประมาณอย่านี่มีเวนิไพ่แขกันแล้วกันเลยเอาเวรังอสปตังอย่าให้มีเวนิไพ่แขกันแล้วกันเรียกว่าเขาลบทำอันไม่มีเวนิไพ่เพราะเรามาศาสตราพระอาอนนท์ทําบนแล้วบุญเล็กๆกเลยน้อยไปเอาเทปใส่ไต่รูกระถาดซะมัน จไม่หมดหรือพอระบรมศาสดาในปฐมปันนาในัระก็มปันนาบางท่านก็ บ, บอกว่าปฐมอะปันนาปฐมอะจันปันนามันเป็นคำของภาคอีสานเคยใช้กันเป็นหนังสือธรรมะมีหลายผูกพระบรมศาสดาว่า บุ ญ, ญเล็กเล็กน้อยไปอุทิศให้สัตว์ทั้งหลายเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามเราก็ได้ทวีขึ้นมันไม่หมดมันหมดไมเป็นเรียกว่าปฏิทานธรรมายบนเฉลี่ยโดยการให้ส่วนบุญฉันพูดอย่างนั้นพระบรมศาสดาเธอยาไปสงสัยว่ามันจะหมดเลยในปฐมกัป น, นาตเหตุฉะนั้นปฏิทานธรรมายบนเฉลี่ยโดยการให้ส่วนบุญจึงมีในบุญกิริยาวัตถุสิบกิริยาที่ทําบุญมันมีสิบอยา่างธรามายบนเฉลี่ยโดยการบริจาคทาน นิทานาปานมีสัมปโนเมธานาอุปปารามีสัมปโนเมธาธรมปานธรมธาปารมีสัมปโนเป็นต้นทานสิ่งของที่เหนือตนกินตนใช้เนี่ของที่รักที่สุดเรียกว่าทานาปานธรรมธาปารามีสัมปโนถ้าตํากว่านั้นลงมาก็เป็นทานาอุปปารเป็นธรรมเป็นทานที่ต่ํากว่านั้นศีลก็เหมือนกันสมาสัจจะก็เหมือนทานสีเนปเวขาสอะเมอุทานก็แปลว่าทานสีนก็แปลว่าสีลเนก็แปลว่าเนคขมะ ออกบวชตามธรมรมดาแล้วออกบวชเพื่อคนทุกข์ที่นี่มาพักมาอยู่นี่มันสามจ็พกปีนี่ทำไมอย่างนีแต่สองพันาร้อยทำอย่านี้ฮึงคนงานไงโอไปพักช่วข้าวไปพักั่อข้าวใช่ยุหันเดือนนึ่งเห็เสียห้องกับบ้านเขาเห็นยุหันเดือนหนึ่ ง, ง, ง, ง, ง, นะนนงรถ ถือเท้าละมานพอูมันเนี่ยพูดให้ไปเที่ยวปีนีกลับคืนหน้าถามว่าอะภาวนาว่าอะไรควบมั้ยว่าหิวน้ำมาสันหักูเป็นผู้ต้องหายูตัวนี่ว่าสันเออชื่อชใดนาเจ้าเนาะเออชื่อใดอืมมันเป็นความจริงสันเนี่มันเป็นความจริงสั้นแหละ ความจริงเนี่ย ม, มัน ม, มันม eyes, ันมันมันข่วมขีเทปเลยเนื้อใดเขาบอไดเห็นด้วยตาบอไดพี่ก็นด้วยใจเขาบอเอามาบอกอันที่ประวัติของเขาเนี่อกจะยุคบันทงผือเด้ขนาดยุคก่อนนั้นเขาบอกเลยขนานเขาบอไดเห็นเพลนได้ยุคบานองผือเขาเห็นเพลนหลวงปู่หมันยุคบันองผือเสียห่าปีนสียปีนยุคใดเขาบอไดเห็นเขาบอกเอามาบอกในยุคแต่เพนว่าเขาบอเอามาบอกมันบอกว่าเขาบอกว่าถือมันตัวเเห็นปัจจานาพระนิพพานสดงมันจังแล้วว่าปัาจนาพระนิพพานเ่ยมันว่นอยู่นี่ละ เกิดแก่เกิตายยังไงละมัน จ, พจะพาไปรัฐไปทางรัดได้ห้องคอใจเป็นของเมของเกาตงวห้องลมาเกิดมาแก่มเกดมาตา ย, าตายาแยงะนมวน้ำตายโลกทานี่มาเวียนอยู่บพระนพานไมเขาปราศนาถึงพรนพาพบอืมู ม, มูมูเดียวกันมาผลห้ผลแ ม, ม่บ่คนละมูบ่เออเอาย า, ออา้อการที่นางไปตานางอุปกรารปฏิยิจยตางปฏิยตางตุ้มาง ขิปเมลาธรรมิเชตุสภะปุเรนตุสังกปายกันโทปนารสุยะธุยายสมาทันนติายุวันสุขัาังสัพพุาภาเวมาภาเวสทาเวนะภาภา สัพเพเตรโรขาสัพเพเตริยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตปุถาสัพเพเรุนิมตาสัพเพเตอมังคารินสันตุอายุวตะโตะกาธนวตะโตะกาสิริวะตะโกตะกาเนวตะโตะกาพรหมวตะโตะกาววตะโตะกาสุขตะโตะกาตตะาตโยาเวราโสกา สัตวตัวกรวาลใกาตรายาผืนั้นชัตัจตาาเขยสิทธิทันางลาังโสธีพักยังสุขังปรังสิอายุจัมโนจะพกังวุตีจัจจสวาจักรษาจะอายุจะชีวาสิทธิพระวันตุเตเพราะว่าเธอสัพังฆัรักขันสกเทวตาท้าภูาโนภาเวนะสัจาโสธีพรเจเรเพราะวะาสัพังฆรัันสเทวตาก็าภูตาโนภาเวนะสัาโสธีพจเเพราะว่าัพพังฆังรักขันสะเวตาทาพระเจงคานุภาเวนะ สสธีพระวันโตเต อ, อ, อยู่ทุกเมื่อไม่ไม่ประมาณนั่นเถิดพุทโธธโมสังโกนิพานังรหานวามะขดเป็นสังโลกเอาวิปัสสนาโลดใช่เนาะได้ในในโลกล้วนอั น, นิจังได้ในใ่โลกล้วนทุกขงังได้ในในโลกล้วนอ น, นตา เราสงสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยถ้าหากว่าโลกเติมไปด้วยอยนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้พวกเราให้ทารักษาศีนภรราวนาก็ปาตตนรราพระนิพ涅槃ดิ่งเลยซักไม่ต้องอยากมาเกิดแก่เก็บตายในโลกอีกเลยเพราะเคยมาแล้วไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่าของพวกเราที่เคยมาแก่เก็บตายอยู่นั่นเองต่อไปนี้จะเรียนวิชาเขลตลาบจะยินดีในพระนิพ涅槃ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตาย ท่านน้อยขอให้กายท่านหลายขอให้เวนขอให้พ้ น, น <Yeah. S 2> จากทุกน yes right. uh, ิวศตาสงสารโดยดูนในเจ้าบรรณาธิษฐนี่ก็ขาเธอเนาะไปมาตองว่าอนาคตตการตะเกงนี่อย่างไรมันสาเขาอยากไปไว้มันบ่มันไม่ได้ไปไวมันบ่บาปผมบ่บาปแล้วเขาว่าจะควงค้อนควมห้วยมันบ่ควงมันกับประเทศโลกโยมันเกาเรากม่กับปไก่เติบอยู่เมียนมอเรื่องนี้อันนี้สงหลายอืม คือผู้หนึ่งเป็นปัญญาทุปัญญาผู้หนึงเป็นสุปัญญาเป็นเชี่ยวกันในศาสนาของพระกัจปะมาพระมหากัจปะเนีกัจจปโอลักาณศาสนาพระกัจจปโอลูกู่สันโตโกลาขมโรกัจจปโพระองค์เก้าที่ส า, สามเชี่ยวเชี่ยวว่าสันโตมากใครท่านพ่ะวนาซ้าเดียวกันใครท่านซ้ำกันกระเพาะโตปัถนาะยังเลยโย่ห้องปัถนะ พระนาลชิงเดี arts, them, ang, ่ยวได้เท <throughout> ียววะท่นมนุษย์ชมวัิสวรรค์สมวัติัดตองมาดอกคนท่ามันไปหามันตอง่านเที่ยวเปวะท่านเนปาลชมวัดชิงเดียวตอนนั้นมันคนท่าไปหามันก็ตตอง่านเพราะศาสนามันกระพานด้วยวะท่านบ่นะไรวะท่นโอ้โหจะเอามนุษย์สมบัิแต่มันติดมรดกนมเอาพุ่มชมวัดเนปานสมัดโอสวรรค์มบัิมนุษย์มวัิสวรรค์มวัิพมสมวัดเนปานสมวัิเป็นลับตะกรเมม่่ พนทสมบิพพานสมันี่ไปขวมเอายอดทชมใไรวบว่าสันขนาันไปหันเชียวไ้ัน่ต้องว่านันดอกก็ได้ดอกตัวนิปปัาพระในพานสมบัติโดยดวนเชียงเดียวรถไว้สันเอ้าไันยาดอกลิกันเท่านี้มูเฮ้ามวนหยังไป้ันจเชียวกันได้ยั่วันยู่มากยู่มากเนี่ผู้ปัติฐานพระในพานสมบัติรดในขู้่พระในพานตั้งแต่สาสนาพระกัจโผล่นผู้ปัตินามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ พมชมัดเป็นลำดับในพ่านชมบัดเป็นลำดับหวก็ได้เข่าสู่ในพ่านวังศาสนาพระโคดมเฮานี้น่นนั่นนั่น่นเห็นบหมนี่มือเฮาเป็นแต่ว่าอนาคตการนั้นเถิดอนาคตการนั้นเถิดออนาคตของเครืงเมียงมันสึงมัเป็นบมืออื้นเครื่องเมียงตั้งหลอดฟักลกในปัจจุบันขึ้นเบ่งเฮาเห็ดหน้าเฮา่าชีพหายมันแล่ไวๆนี่มันยังเป็นมือเอืนมือหื้อมือนึ่งมือนึงเข่าถวยนอยู่อีกด้ว เขาดังหน้าให้กันเขาเฮ็ดงาใหอกั น, มกนสมว่าจะเฮ็ดแค่แล้วมือไม่ยังเป็นมืออื่นมือหือมือดึงมือตึมือหเ ข, ขาถอยมือใครมือยังผลอีกไปอีกชัวเข้าสิว่วาปาร์นาอนาคตการนั้นเถินอนาคตการนั้นเถินจากมันพระพุทธเจ้าองค์ไหนว่พระพุทธเจ้าองค์ของมรดกเปลี่นพระพุทธเจ้าที่มาอีกมากกว่าลอยโกนพระพุทธเจ้า่านมาเข้าสักของในปัจจุบันผู้ใดมาสามารถจิทำ้มเพี้ยเพ่นทุกในปัจจุบันจะถือว่าปัจจุบันนั่นพระพุทธเจ้าว่าามเลยหนนักนัก มีม้ออาา่นหาอนาขกาลนั้นเถิดไปากราดทอดขังพระเจ้าองาอาาคอออ์ น, น า, ออนา้นกับอนาคตกาลนั้นเถิดอยู่แลวงพ่อักโลกใกล้ๆนี่ว่านะเมื่ออื่นเสี้ยงเมียงเมื่อก่อนเมื่เป็นแล้วอนาขณา์ขุดไปเรื่อยแตงมื้อเงาเงาป็นังข้าจังกับพลวัยกับเพราะข้าวพันทุกข์มากเพราะแห้งหรอข้าวเค็ดหลามเงียนเงียนไม่ทราบเค็ดหลมามเพแห้งอุปสรรคปัญญาเวเศษเป็นเหตุให้เบื่อานโลกมิจมะควมบําบัดวัฏเทียงได้หรอกอันนี้ข้าสที่ปัจนาที่อยู่รนังกระหอก ผู้บารมีแก้ก่ามาเนี่ยมันอยากไปทั้งรัฐด้วยทีว่าผู้บาร ม, มีือ่อเนมาแก้ก่านก็สมนกส้ต ม, สส ม, มสสต้นไม้อยู่สักนส่วนี้ไม่นะเม่อเ่นสเกิดแก้เก็บตายอยู่สักคนนี้ผู้มีเงินหลายคือขึ้นเครื่องบินไปสันตัวไปไปกรุงเทพผู้มีเงินน้อยขึ้นรถทัวแต่วมน่นอเขาจากกับกระเป๋ากับรันไมน่นะหมอค่นี้เอา้าเขาไปกรุงเทพมาเขาไหนว่าเขอให้พวกขาขาม ผู้ขา่าจะปรารถนาขามขอนแกนผู้จะขาจะปรารถนาขามอ้อลาชแลวก็ปากซองอะไร อ, าอาสารระรกับอายุธยาเทานีปรารถนะ น, นาที่ทำหนเขากับปรารถนากรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเาจไปมันขามไปหนห้ทางไปหันเนี่นว่ากันเนาะแม่อนบมนล่อนั่ไปเอาลาบานเนี่ย น, อ, น อ, <c oughs> อ, อกเงยแล้วนออเงาเงาเง็บอยู่เขาหามว่าหายว่าโตบัะเทศว่าดุ ญาติในเขาออกซทียนกับปารันมือนี่ญาติเยอะก็ชดได้ต้องถือผีผีกับยุจัยฮะตถ้ถือพุทธถือธรรมถือสงพุทธธรรมสงกับยุจเฮผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทาพวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นสูตรเ้องจะเข้าใจพระพุทธศาสนาโยชายู่ในตู้ในคัมภีร์ทางนอกคุณบอกบอก่เลออยู่หัวใจเข้าหเข้าถืออเข้ามาถือโดยยหหันอันนันมันจำไล่เ อ, อทางนอก สำลายง่ายง่ายแค่เขายกหีบหัวใจเฮาผีเขาหมอบการทวารเีต่อพระพุทธธรรมประสงค์โยธมือระดึกใส่เพื่อใส่กว่ดีว่าสันเดี๋ยวพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหัวหน้าหัวใจว่าสันว่าปิว่าว่าว่าจิเอาพญามารเป็นหัวหน้าว่ากันลเยม่กหนดตัวหนึ่งตัวสช่ว่าองไรอีกเดี๋ยวพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหัวหน้าหัวใจว่าสันอันนี้มันปีนพระพุทธธรรมประสงค์กติพิกันหน้าที่ว่าไปอุรุนาเดียวอันเอาไปยมุกทุกประเภทมันปีนคาสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นคาสอนพญามาร ย่าสุเหฮตน้ำมันพระพุทธเจ้าห้ามเอาใบยาหมุกทุกประเภทหมุกขาแปลว่ามันเสียหายเสื่อมนาเสืปากด้วยเป็นตาเป็นท่างแห่งความเสียหายให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณ ะ, ะอยู่ที่หวัวใจจากเท่าเข้าวโซเขาเนี่ยฝาเลือกได้ไม่ได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวัาไม่มีประมาทจะทูนถวายสกุลละกายวาจาจใจถ้าเป็นข้าเป็นท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวันไม่มีประมาณ เราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ปฏิปักษ์บูชาเป็นอาหารของหัวใจอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณในลึกใดเมื่งได้ก็ดีฉ ะ, ะนั้นอื่นของเราไม่มีพระพุทธามพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสถานะของเรายัางจิตจิ ต, ต, ต, ต, ตแ ล, ตนในในลกนังโลกเกวิจติสัมุนากรพุทธกามังนัติตัตมะสุทีปะวันจุเตยักษณะอันใดในนองนี้จะเสมือเหมือนพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยข้อกสามารถตานสัมมันกับวัตถุอันสัมปปะกับวัตถ์กายพ้ายกับวัตถ์ไก่ทีไถ่กับวัาถ์หา แก้ป่วยมากกับหายามากินหายก็หายป่หายกะย่อมตายต่อนมาพุทธธรรมระสง์มันกลับไปสวรรค์เทวโลกอนทนตัวมันเสียอย่างอย่างหลวงสังเก่เจียพุทธทางสนางคาตาแค้นเตะคำนี้สันติอภัยจะพรมอย่างป่ยหามานุสังเทหังเทวการังยังปริปูเรศสั้นตีที่ในมหาสมัยสูตรผู้ใ ด, ดถึงว่าพุทธธรรมผส์เป็นที่พึ่งแล้วผู้นั้นล่ะโลกนี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์รูตนะิจ้รนัก ของประ็นน네ั้นก็ค exactly? ือหาเนแ่เอาไว้ั็หอใจกโจรกับว่ารักไฟกับว่าใหม่ตกน้ากับว่หายตกไฟกับ่าใหม่เอาไว้ก็มืวใจเขาหนิขนาดเอาไว้วันอื่นโจรมารักเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไวก็มือใจนี่น้วยแก้วย่องยู่บนหัวจึงมาผงทุรี่หมดสิว่ว่างเมี่ยนน้อยแก้วคือยังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาโอนอุทิศไว้ในจิตในใจเขานีิข้อกบ ผมทุรไล่หมดที่ไหว้ว่างเงี้ยเด้อวันนี้นี่จับพระธรรมประสงค์ไปดชวยผีทั้งหลายกับยันยันพระพระธรรมประสงค์บ้มาไก่โตนกับบ้ามาไก่เวททั้งหลายกับบ้ามาไก่ท่านพระจำเป็นนี่ทีชิมากอมาอีกองยากดูเป็นไหวจะก่อขันมาทจะสากรถึงก่อขันพระจะสากรก็ยังบ่สามารถที่เขามาอด้ดเอาพระพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งจึงปลอดภัยเอาต้นไม้ภกเขาเป็นที่พึ่งไม่ปลอดภัยอรารมรุกขเจตยานี้ มนุษสาพระยาตัทธิตาเนตังโหสนังเคมังเนตังสระมุตตะังเนตังคณะมาขมะสัพพะทุกขาปมุจะติบวพ้นไปจากทุกข์สุจะโยพุทธันจะทำมันจะสังคัญจะสนังขตโตเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นเทพึ่งว่าปลอดภัยพ้นไปจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าขอหน่อยไรสัตว์ในพระองเวสรันังญาติเม็ดข่าวมีหลาไม่น่อยอย่างนั้นว่าในนักได้ว่าในนักคือหาบเด้ คือพระทธองค์สงค์ม่ได้นักคือหาบเด้วยเบาเบากายเบาใจรรับกับวัสดุขงฝาเพราะไม่เว้นรอบขางเอาแล้วน่ะนี่หายพอนอกยะท้าวารีว่าปุราปรณิเิชาสารเจ้ามีวิโตชินังเปตานังโอปะกัติิจิตังปิจิตังสุังิพ่มวะิตูกะเพปูเรนตสังกปาจันโทกนารโสยะามณีโสทีราโสยะาสีโยวาชนะสพโรโกวิัตะตะเตพรตรายโสีติคาโยโก ว่อภิวาทนาสีนิสานิจังมุทภาปจริญโฉตาราโรตมาวตันติอายุ น, นสุาาสุขังภาลังภาสุขประทุกันถ้านน้อยคอยกายท่านหลายขอให้เว้นเฮ็ดเพียงตีเนสูงเพียงตาเฮ็ดเพียงตาสุกเพียงฝ่ายเฮ็ดเพงฝ่าเขาสู้เขาจะพานไปฮะ <c oughs> เนี่ออมือนี้มันเป็นวันเสาร์มันกระคองแม้มือนี้เป็นวันเสาร์อือ ถามพูดได้ไหมว่าไมีคนพมาะปันดอกราวาสุดต wow ่อมโมโหเ่าก่ทันกันข้าวผ้าไปยุซาร่าพูดยังกลวงก็นี่นี่มากหมดอยู่บนหัวต่าหัวเนี่ยารามีกลวงสีตายพูดไปยุยังฟุ้งไปยังจะของวัาจิตที่แตกยังซาร่าถามเน่ดไปไหมไมีคน้นพราะปัญญิดอกภาวะเขาตัวเขาไปเบืองเห็นสอดเขินว่า พดจังหวะไม่คอนตัวเราบวชเก่งง่ยหันเดียวเบิงทั้งลมมันกระหอนจงหจักทางหมู่ชนะแพ้ทางนอกบ่มีในทางพระพุทธศานะสนาชนะกับเกกับชนะเยอะนี่คือแพ้กับแพ้เยูน่นี่สงฆามเยูน่นี่สงฆ า, า, ามโลกสงฆามโกดสงฆามหลงอยูน่นี่เอาพระพุทธธรรมประสงค์ข่าว ม, มาต่ตอสู้มันไล่มันหนีมันเป็นบ้านมันเมืองมันหัวใจนี้างไ ป, ปเพื่อเล็กเล็กน้อยสาเกกล็กลน้อยไป เข่าซู่ภาเนี่พานทันตัวว่าสั่นไพรจะไปได้พานเนพานพกไปพานเนี่พานมากก็ไม่หินไม่ไส่ทอบมหาสมุทรซีมหาสมุทรผลซุมย่งจะไปทางนากรคือกันย่งงนู่นป็ย่งหลายกร่นอีกถ้าหากว่าเป็นของเหลววิสัยสันมันก็เหลววิสัยแต่ผู้บารมีอ่อนผู้บารมีแก่กล้าน่มันก็บเหลววิสัยก็คือขวนญย่างก็เหลอวิสัยตั้งเก๊กรถปีกอัพเขาเน่ะมาท้ารถซีบหล่อเขาพนรถซุ้งเขาพันพวเหลอวิสัยเขาันออกไปได้ คิดว่าอย่างไรกันอัอนนี้นก็คือการว่าแม่ เ, เหลือมิใส่คาว่าเหลือมิใส่ว่าพุทธเจ้ากับพสอนถึรงว่าพระพระธรรมพระสงฆ์เป็นเรื่องต้นคําสอนว่ะพุทธศาสนามันเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพุ่มสมบัติเป็นนิพพานสมบัติเต็มพุ่มแล้วเข้ามาต้องสงสัยอภาัยามุขทุกประเภทมันเป็นมนุษย์สมบัติ ขันเท้าเวีน ม, มันขันเท้าบาเวีนมันมันก็เป็นมนุษย์ดิบัตดมันดิบัตดอยู่ในหัวใจเอาไว้ดิบัดอย่ในสมบัติพัฒน์ศานเอาไว้ขนเท้าเวีนมันก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรสมบัติภมสมบัตินิพพานสมบัติขันเทาเบาเวีนกับมนุษย์ดิบัดสวรรค์ดิบัดภมิิบัดนิพพานดิบัดคือกันไผ่เสมาสอนเก่งคือพระพุทธเจ่าเฮามันก็มีดอกพระพุทธเจ้าเป็นหนเอศ พระกาเทวมนุษย์ชาหนังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยด้วยและเป็นคําสอนอันเก่าด้วยเอยสัตโมชนันตน์โนพระธรรมเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ไม่ได้ลบร้างพรบกันเลยพระพุทธเจ้าองค์ใดก็มาสอนคําเดียวกันไม่เหมือนกฎไม้คตหมู่คตพักคตพวกของชาวโลกที่ตั้งขึ้นด้วยกิเลส ข, ของตนตามพักของตนตามกิเลส ข, ของตนคําสอนพระพุทธศาสนาทั่วโลก สอนตามธรรมมาทีปไตยไม่ใช่อัตตาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ราชาธิปไตยไม่ใช่โลกาทธิปไตยเป็นธรรมมาทีปไตยสอนโลกเต็มภูมิแล้วจึงทรงพระนามว่าสัทธาเทวมนุษย์ชาหนังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เขาบอกว่าพระย่าเป็นการบาร้านการเมืองว่าพระมาสอนบ้านสอนเมืองทำไมเป็นสอนผีตัวไหนบอกว่ามีเนว ด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวิจิกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาที่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมทสถานนาที่ของโงงเนี่ยสมณะพราหมในพิสุสมณเณรได้รับํานงเชนนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุลรับุตรด้วยสถานหกหนึ่งห้าไม้กระทาความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดี สามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟั ง, ง, ห, ฟ ง, ง, ง, ฟงห้าไม่จะทํารนว น, วนไม่จะของเป็นทุกข์รนรนมันเป็ของเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตั้งไว้พระพุทธเจ้าองค์ไหนมากขมาอันเดียวกันไม่ได้แย่งกันไม่ได้คัดพราะเราบ่กันเหมือนเศร้าโลกเพราะมันตั้งถือแล้วสั่งบาลเมเต็มแล้วกขมา สอนอันเดียวกันมัดมากกว่ามมตินเส้นไสในสองมหาสมุทรผลพระพุทธเจ้าเจ้พระพุทธเจ้าชื่อก็ได้สาวกของท่านสิหลายประณีนสาวิกาของท่านสิหล้ายประณีนมีคําสอนอันเดียวกันมได้ลบล่างไปใช้เลยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัติในพานสมบัติสอนเต็มพูมไม่ใช่ขสิเก่งก่อพระพุทธเจ้าเลยเหตุนังเข้าจังเข้ารลบพระพุทธเจ้านันที่มีสรณะงานอย่าง สถานะอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสนะอันประเสริฐของข้าพาเจ้าด้วยขาว้าด้วยความกล่าวสักนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันนัตถิแปลว่าปฏิเสธเนี่ยสานะอื่นของเราไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทอนนั้นเป็นสถานะของเราปฏิเสธเลยยังเจตีรัตนังโลกวิจตริวิธังวุทธทรัตนังพุทธสมางนัตถิตัดสมาโสดที่ภวันตุเต ดัชนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยนะั่นปฏิเสธแล้วผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจพร้อมด้วยองค์สามก็ดีผู้นั้นละโลกนี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์นั่นนั่นนน น, นัสอนเบื้องต้นสอนมนุษย์สมบัติสอนเบื้องมาสอนสมบัติพุมสมบัติญาพาพสมบัติ นิพพานสมบัติแปลว่าบาลามีแจกระมาแล้วก็สอนให้หนีจากโลกล้มันไม่จะเกิดแต่แกแต่เก็บจะ ต, ตายลูกหลานเลยในโลกอันนี้เชืว่าเกิดตัางร้านสาสตรแสนสาตรตื่นติวสลีติวก็ตามก็มาพบเจ้ากองทุกข์ลูกหลานเอ้ยให้เบื่อให้เค็ดให้หลาบจ้ะท่านน้อยขอให้กายท่านร้ายขอให้เวรให้ป่าชนะพระยพานผืนเนิร์นจัวพระพุทธเจ้าสอนพอได้ท่องเที่ยวมาแล้วอันมู้นี่ม่อพระศิษยทองเที่ยวหลายปันพอหรอก ลูกหลานว่าให้น้ำหลังดอกวะใช่มันมาเป็นทางสุกทั้งเจริญเห็มาไปพพญ่าพานลูเก้อวะใช่พระโพธิเกศสอนคําสอ น, อนเจราิาระบาดอุปมาวามาเน้อลูกหลานเน้ยพอถ่ายโยฟังทั้งนี้ลูกหลานให้เกี่ยมตัวเน้อไม่พากันประมาณเน้อพากันเหตเน้อเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังอย่าพากันประมาณเน้อจงสร้างกานศีลภาวนาลงในมโนภาพซัก เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังชีวิตแม่กรอคอยเลยหายใจเข้าไม่ออกก็บอกว่าตายหายใจออกไม่เข้าก็เล่าว่าตายเธอทั้งหลายอย่าประมาทเน้อพระบรมสารีราเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังห้อยมือเห้อยไปล่างทุนในีเพื่อนบอกเพื่อนสมเมติตาเขาแท้มหาการเวโกหน้าโถป๊อ อากรุณาดังสาครเหมือนแม่น้ำสาครพระมหากลุณ า, าสันโลกทั้งหลายสันโลกทั้งหลายคืว่าประมาท<ม>ก็เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่ามันยังอ่อนอยู่สิหนาสนเข็มมันกรบปรี้อะไรอันคันพูดได้สามารถสนเข็มได้แล้วก็ไปเาผู้นั้นเหลือมไส่พระพุทธธรรมประสงค์ได้ผู้ตาฟัางเลยสนเข็มได้ย่างไงเพราะบารมียังอ่อนอยู่เหตุไฉพระโพธิสัตวนะ ึไม่ผู้นับถือน้อยแท you know? ้ตชนไงเมื data, ู่เมี่อผึงจึงนับถือเจสันดอกไม้น้อยแท้เมื่วันคือหลายแทะเาสมักันเดียวกันอหนัพอพุทธศาสนาเป็นของสูงบารมีแก่กล้ามาแล้วจึงจักเหลือมสายได้การสนเข็มกคือการผู้มีตาดียังสะสนเข็มไหนผู้ตาฟ้ามกรสนม็มไรกำมงไปมอมันว่าอย่างไรหนัยินดีในพระพุทธศาสนาขณะจิตดี ยังดีกว่ายินดีในเรื่องอื่นๆล้ า, น, าน้นคณะจิจเพราะมันเป็นพุทโธธ ร, รมโมสังโฆนุสติอยู่ในตัวเป็นพุทธาธรรมาสังขานุสติอยู่ในตัวจับมันเองกระเทือนมดจับหนังก็ระเทือนกระดูกกระเทือนเนื้อคือกันอะไรพุทโธคํามเดี่ยวก็กระเทือนพระพระธรรมพระสงค์คือกันอะไรน่กคือเข้าเห็นนากันะ เห็นนาอันเดียวกระเทือนหอดดังหอดแก่มดถ้าห้องเมากันไม้เคยรอกว่าเคยเห็นนากันยูเ้าบอกอักษรย่อไอ้ที่แท้ก็เห็นทั้งดังทั้งแกมทั้งหูน่ะจานาได้ปะจำได้ยูอาจารย์ไอ้ทแท้ก็จำได้ทั้งแก่ทั้งดังทั้งปากทั้งหูน่ะจะว่าจานากันได้ฉันได้คือกันถ้า่าพุทโธกับกระเทือนหอดธมโมสังฆกันถ้าจิว่าทั้งสามข้ามกับประสงสัยถ้าจิว่าจะพุทโธเนี่ยกับปสงสัยถ้าจิตนึกจะธมโมเนี่ยก็บปสงสัยถ้าจินึกจะสังฆะเนี่ยกับ กบปั่นตีดินกระเทือนคาะกันมดในวันนีเรียกว่าปัญญาเข้ากันเข้าภูมีปัญญาโอ้ยมมอกูพระท่านในวาทำโมกูพรท่านในวาสังโฆเข้าสิวายางเพชสานเข้าสิเ น, นือรังยางเพศสานเขากับพสงเสัยเข้าสิเนื้อถึงย ω, ่อเข้ากับพระสงเสริญเรียกว่าแตกฉานในอาณาธรรมพุทโธมีในปัจจุบันทำโมมีในปัจจุบันสังโฆมีในปัจจุบันเหมือนกันเหมือนดินน้ำไยลมดินน้ไฟลมก็มีอยู่ในปัจจุบัน ถ้าดินน้ำไฟรมไม่มีอยู่ในปัจจุบันเราก็บัญญัติไม่ได้มันมีอยู่ก่อนนี่เราจึงบัญญัติได้นั่นจงทําจิตให้บันเทิงในการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายนั่นไม่ความายด์ลงมาหายใจยดลงมาเป็นสอง ก, กายเข้าใจยนดลงมาเป็นสาม ก, กายว่าใ้ใจใจที่ประพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยดลงมาเป็นที่กัลยาสัตย เป็นต้นดนว่าเป็นหากระคั้นหาเป็นต้นอาขยายออกเป็นหาขยายเาเป็นหกกรตาหูจะมูเรียนกายใจอ้ายที่แท้คำนีนของเกาฮอนล่ะดนลงมาเขามีตลูกกำน้ำเท่านั้นลูกกำน้เนีแต่อำนาจอันนี้จังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแต่ทลายอะได้ในโลกล้วนอันนี้จังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเธอจงพิจารณาตามเป็นจริงให้เห็นชัดในปัจจุบันเธอ เมื่อเธอพิจารณาตามไปจริงในเห็นชัดในปัจจุบันแล้วเธอทั้งหลายจะไม่ยินดีในโลกทั้งปวงจะยินดีในพระนิพพานซึ่งไม่มา เ, เกิดแก่เก็บตายหน้าดีอ่ก็เปิดประตูพระพนิพพานไปในตัวเมื่อได้เห็นธรรมทั้งหลายแม้ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ที่เคยหลงมานั่นแหละเป็นศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ กลมกลืนกันในปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนนี่สมะนี่เฉพาะธรรมสั้นสูงธรรมสั้นตั้ขันธ์หงษเป็นสั้นสูงมนก็สูงมัดขึ้นนโมเนี่ยขันธ์หงษ์เกินถึงพระเนิพานกระไรนโมนโมพระนี่ยพานโมอยงไนโมแปลว่านอนอนอนอจนว่มาเกิดแก่เก็ตายนอนอจนว่ฒมากลบมากดมารงนอมนอจนเบื่อในข้เมาในวัดตาทงารเรียว่านอบนอแล้วเขาหลเรกวเรียนนโมจบ นโมพระสวัสดาบาลนโมพระสัคคาคามีนโมพระอนาคามีนโมภาษาสวัสดาบาลเขารับจนไม่เล่นอบายมุขเขารับจนไม่มาล่วงละเมิดศีลห้านอบนอมจนไม่ล่วงละเมิดศีลห้านอบนอมจนไม่ถือศาสนาอื่นนอบนอมไม่ถืออยู่ยงคงกรัณฑ์นอบนอมไม่ถือเลิกดียามดีนโมพระสวัสดิบาลเลยนอบนอมจนไม่เล่นอบายมุขเขารับไม่เล่นอบายมุขเลย และไม่ถือศาสนอื่นเลยยินดีต่อพระพุทธธรรมประสงค์สิ่งเดียวไม่ใช่ได้อย่างร่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้อย่างร่วงอบายามุขนั่นคือนโมพระโสดาวันเรียนนโมจบในชั้นพระโสราวันแล้วก็เรียนนโมจบในชั้นสกทาคามีแล้วก็เรียนนโมจบในชั้นพระอนาคามีแล้วก็เรียนนโมจบในชั้นพระอรหันต์ก็เต็มภูมิของสาวกเท่านั้น ส่วนพระพัจเจกก็เรียนนโมจบในชั้นพระพัจเจกส่วนพระสมมาสัพพุทธเจ้าก็เรียนนโมจบในชั้นพระสมมาสัพพุทธเจ้าเรียกว่ามหานโมเป็นชั้นที่หนึ่งในสมมาสัพพุทธเจ้าชั้นที่สองก็คือพระปัจเจกชั้นที่สามอรหันตาชีนาศบชั้นที่สี่พระอนาคามีชั้นที่ห้าสักขาคามีชั้นที่หกพระสุวรรณมีเป็นนโมโลกุตระนี่พุทธังสันนัตชามีก็เหมือนกันแต่นโมโลเกี่ยนโมเลขนโมผาณโมบัตินโมเบือ เขาลบนโมไม่เป็นก็ลงนรกขี่หายตายนโมเล็กนโมผานโมบัดนโมเบอร์ตายก็ไม่มีเงินจับชื่อไม่ขีดไฟให้พระะถ้าเป็นเลนเลกมากพูดเลยแล้วบางนากันพรรอเราไปแล้ตัวละบอกขี่ขโมยยังไง <c oughs> พอยากทุกขให้เลนเลขกและหลายพระอยากขีบหายให้เลนเลขกบ่อยะ บุกข้นผู้ยันหนีนนเองได้ผาสาคัญ่าตกเป็นผู้เลี่อนสูงันโมเมนนี้บางทิ้งเป้าดังไก่พระช่อกนันเล่นเลเล่นพ้าเล่นบานเล่นเบย์ชูเขารักษาเส้นหายวานบ่ได้เรียกว่าพุทธปะาหารเรียกว่าเป็นรัฐถะหารเป็นพุทธปะหารธรรมปะหารั้งขาประหารหมดแล้วญาตเหรมูเฮาันเพรศลหายไเลิก ดูแล้วย่าตาว่าโร่มันเป็นเปตูัเปรตเน่าได้หมอเพลว่าบูรุษโบราณพลวังให้เกี่ยงทั้งทั้งใน้าให้ใส่ทั้งกระดูกให้เกี่ยงทั้งเขาปูกทั้งเขาปัดรานเให้ทั้งพระผู้ประรานประสงค์ไม่ต้องสงสัยวันแในหนังสือการะเอีตดเส้นไส่เพิ่งกล่าวว่าเมื่อไม่ใยแก้วย่องโย่บนหัวก็ส่วนผงทุลี่หมดที่ไหว้ว่างไม่เห็นเมือ่อมีพระผูประทาประสงค์ย่องโย่บนหัวใจผีไปกับพระเขาใจอย่างตัว คนผีเขาเจ้าสุนนก็ะเพาะบะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะผีพ่มาไก่มันเขาลบสั่มคนบะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัอุปมาคือคนเปื่อยกายไม่มีผนุงผามขันติปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นะวาถ่าทุสารปัญหาบ่มากไหมเพราะไปยังจังบ่มากเพราะบ้าแล้วไม่แก้กล้ามาแล้วพี่ก็นาอนี้จังทุกขังอัตตาท่านั้นเมื่อพี่ก็น่าหลายเลยเบื่อนายเนี่กับเข่าโู่เขาจพานเท่านั้น บื้อนายแหละมันก็เกิดปัญญาลักษณะข้อมลงจากของมัดโมยินดีในโลกทังปวงบ่มันโมยินดีในโลกทั้งปวงเราจะไปผูกข้อตายบ่แม่แน่นอนบริเวณอ่ะมันมันเป็นโทษโสว์มันถือเกิดชาติหน้ากับผูกข้อตายกับเรา่นมันเคยได้ขาจากของขาควอมลงจากของเลยควอมฉลาดมันเหนือควอมลงจากของเนี่ยมันก็ว่ามาท่องเที่ยวในวัตาท่องสารเองที่ผู้ยินดีในการท่องเที่ยวในวัดตาท่องสาร ก็คือผู้ยินดีในหลวงทานเพลิงนั่นเองนะพระพุทธเจ้ารีบปฏิบัติเสียเนอพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระพุทธเจ้าอุปมาคือพระพุทธเจ้าเอื่นเนาอยู่ก็มีข้าวเว้นคื่นข้ามซ้อนจะระบาดมาเนอหลูกหลานเลยจะไปอยู่ทั้งพุ่นมิไดไท่ยจับกินบีอะไรต่างต่อคือแกเก็บตายโรกโกดลงเรียกว่าไท่ายจับกินบีอะไรต่างต่อมาอยู่น้าพอพี่ไม่ไม่เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังนะ อนุนอนุนพิจารณาความตายวันละกี่ครั้งร้อยครั้งพะยาค่ะเออเธอยังประมาทอยู่เน้ออนุนเน้อพร้อมกับลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนี่เฮ้ากันพิจารณาข่มตายมันยากิไม่ขี่เสียงเพราะว่าคนขี่งูมูเฮ้าขรรเลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติผีมากินออืคนขี่งูมูเฮ้ามูเฮ้งย่อมมาท่านเขาสู้พเนี้ยพาน ยามไหนก็เรียกว่าคนขี่งูอยู่ทั้งนั้นนะโมเหาว่าในสถานกิเลสเจ้าของก็เรียกว่ากู้ศาสตร์ว่าทานไดพระทหารพระกู้ศาสตร์ได้แล้วเพิ่นเอาสินสมาธิกัญญากู้ศาสตร์ขึ้นแล้วเพิ่นไล่เขาูพันธนไปซะบ่มาให้กิเลสใส่หันขว้าหันกำลังหันโยคือมเห่านี่้ีมเหามันใส่แขเหรนกับเรนมันใส่แหยงกัยางมันใส่แหนนอนก็นอนเก็บตัวยื่นคำนับว่าท่นมันขืนขีข้อเหา ขวัญสร้างควัามาข้นขีข้อเขาข้นทีเป็นบางข้าวบางข้าวมูเฮอาว่าทัานผลมันขีข้อเฮ้าอยู่ขหน้ามใได้เฮ้ากินเฮ้าท่านเฮาปฏิบัติศีลธรรมมันกับพระตรีกันได้ขืนห้ามเฮ้าปฏิบัติศีลธรรมเฮ้าวไนหนึ่งถึงคนพุทธผู้ท้ามันสมมันกับนนอกขอทรับยหัวเฮ้าขีอยู่ข้อหว่าลงกัทเทียส่วนพระอหันต์มันลงหมดแล้วพระสุวัรเพ่งกระละได้เป็นเอกเทศ ผลกากเกลีเป็นเอกเทศพระโสดาวันบ่เชื่อไดยอยากลงระเมิดชินหาบ่เชื่ออยากกะเรียอวัยมุกบ่เชื่อไดยอยากถือศาสตาอืน่นบ่เชื่อได้อยากถือย่ยงคงกระพันบ่เชื่อไดยอยากถือเรื่องดีงามดีอันนั้นภูมิพระโสดาวันบ่เชื่อไดยอยากขอดเวีนผู้ใดมึงเถอะมึงเฮ็ดกูอันนั้นกูจะเอามึงทานีบ่เมียลพระโสดาวันเคยเฮ็ดเขาจะสาดก้มากใครแล้วกันไปซักเขามากก้อนไม่ใคแล้วไปซัเพิ่มหนึ่งจังสันบ่จ้องเวีนไป แต่ว่าเขียบย่คว้มเขียบของเพิินหมดไปครับวสามาติไปมรรคหกราคาของเพลินก็ ม, มีอยู่คราบสามาติไปมรรคหกเพลินก็นยินดีแต่ผัวก็มีอยของเพล่นถนนเพลนไปรวงะเหมิดผู้อื่นราคาเพลินทว่าสะเพลิกนกันสั่งวสามาติคาสั์ได้เม่คือมูเฮ้ามูเฮายมงมงกดพี่มีอีกว่าเพราะว่าแม่รู้มูเฮ้ากับละได้แต่กับปเทศได้ยาเข็ดกันผูรละว่าท่านใดไม่ประเทศได้ยาเข็ด สิงหเห็นมันเป็นโทษตรงตมันวชดายากละเด้คือลุมทานเพิ่งเขาเห็นมันเป็นโทษตรงๆเขาก็วัชดาย่างรุ่งไปลุยอันคาสัตตที่วิรักษาพุทธพิสุทธกามก็เห็นเป็นโทษตรงตมันก็วัชดาย่าเชิดเน่ยนั่นผู้มัทส่วนดาวันเป็นนั่นขันยังเชิดายอย่างเชิด่มัวเป็นผูมัทสดาวันที่พรวนามื่อขึ้นคมเหมเศร้ากับตามัยังเป็นพุทุส้นคนหนาอยู่แต่ครังดีก็ว่าวนาอยู่นนนันไปนันไปมันกิได้สาเร็จคือกันนั่นเปิดพักตัว พอคนทางเส้นเดียวได้คนทางเส้นเดียวบม่ได้เดือดใส่ววเดือดหัวได้ที่ย่างใสายางงา่างไหวเขาบดถอยหลังเบแวะหนีว่า